วินันตากะนั่นล้อมเขาเนมินทรเขาพุทธาส์ล้อมเขาวินันตากะเขาอัสกันล้อมเขาเนมินทร์ทูโมเจ็ชั้นนั่นแหละและออกมานอกมนันถึงได้ที่มนุษย์อยู่ไงด้านใต้นี่ก็มนุษย์ด้านเหนือก็ทวีปดอนด้านตะวันตกแล้วก็มาทวีปมาโคโยานีด้านตะออกบุก ท, ท, ทวีปทวีปน้ำทวีปน้ำทวีปเนาะสองพันเป็นบริวารแคนั้นีเกาะสองพันเกาะแล้วทุกทวีปไป พระญาติจ <ersch> ักรพรรดินั่นเทวมียอำนาจแผ่ไปในทวีใหญ่ทั้งสี่ิทวีน้อยพันเป็นบริวานอยู่ในอำนาจสไเจ้าจักรพรรดิหมดจักรพรรดินั่นต้องเกิดในจักรวาลนี้นะจักรวาลอื่นไม่เกิดจักรวาลที่พระพุทธเจ้ากราบถึงจะเกิดภพสานั่นลูกนับพระพุทธเจ้ากราที่จักรวาลเดียวเทนี้จักรวนึง่รที่จไม่กราดรกรบีกลาบเพื่อนมื พุทธเจา็เจากโธิจ้าอาจารและจักรวาลนึๆังระบพุทธจาก็บางทีไปด้วยพระดีีเวทเดียวถึงไปพูดกับคนในจักรวาลโน้นไปให้คนจักรวาลโน้นเห็นคนเหล่านั้นเห็นและอ้นิสัยนั้นนั่นส่งเนื่องจะให้มาเกิดในจักรวาลนี้ไม่ได้ไได้หอไ่าไม่ได้ไปเขานาจะต้องเาเราก็ไปไม่ได้ อไอใจก็จะก ว, วานวนี่ไม่ได้ก็ไอเสียจะจะกวาดเรานี่เราเป็อย่างไปมันเอยู่ได้วงกวาดเดียวเท่านั้นเองออกไปข้างนอกไม่ได้พระพุทธเจ้าไปได้ไหมพระพุทธเจ้าไปได้ิโ อ, อโยพระพุทธเจ้าสามวงไปแต่พระเจ้าจะกระพัดน้องมีดีมีเดยังข้ามจะเขาจักวานไม่ได้ไอวงไอวงรอบนอกนั้นมันเข่าจักวานมา 8, ันสูง8ปดมื่เดน ตำเขาผสมเบน4 0พันยอดเขาผสมเมันแปด0มืนสี่พันยชดนี่เขาจักรวาลนี่แปดพันยเอแปดแปดมืน 8, ยอด 8, ย 8, ยลอมไอ้นอกมันก็ไปมีนี่มันก็มีเขาจกากักรวาลลอมไอ้วานันไม่พบเ <c oughs> ย็นหรือกำลังน้ำไอสัตว์ที่ไปเกิดในนั้นแล้วก็ เล็บยังเจาบมันทีแต่วะที่เด็กเกาะยังข้างขาโอ้โหโลงตีนขึ้นเกาะตามข้างเขาที่เดตายไปตายมาถ้าพกันเข้าแล้วบ้างเราได้อาหารแล้วก็ต่างคนต่างร่ำจะกินกันร่ำกับร่ำตกเลือปรถงงานแล้วก็ละลายหมดอย่าง ก, กับแป้งถูกน้ำละลายเลยแวบเป็นตัวคือไปเกาะอยู่แล้วเนเองไไม่ได้แล้วรารู้ได้ก็ระพทเจ้า วางตำรับตำราไว้นั่นที่ใครรู้แล้วคจากพระพุทธเจ้าใครจะไปรู้แต่ในิสัยขุทธเ้าแล้วทีนี้แสงโกจิกวานี่นะหรือไปดูไปมาบ้านดูเขาจิกวานดูเขาสะพานในูกราหารเนี่ยเขต้องีญามันไดกระยัดห้ามอ่ะเที่ยวกันสำเร็จแล้วก็ไปหรดูดูแล้วก็มาเราเขาฟังสะพาไปได้แต่โกจิกวานนึกว่ไปได้แล้วมาเล่าเขาัง ว่าหลวงพุทธเจ้าอย่าไปอย่าห้ามเขาว่าไปพอไปสักทั่วกันหมดแล้วหลวงพุทธเจ้าห้ามให้สาวกปฏิญาณไอเรื่องให้สาวกปฏิหารนี่นะคือมีเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองเราจะครึกเศรษฐีคนนี้เนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิก็ไม่ใช่สัมมาทิฐิก็ไม่ใช่แล้วก็เวลาอาบน้ําแล้วก็ถึงตาขายบ่าวถึงตาขายการจัดรายเผยเลิกเศรษฐีนั้นเลิกแล้วพวก บ่าวนั่นก็ปูไอ้ไข่นั่งขึ้นกันได้ปูจันแดงไอ้ปูจันแดงมันมาติดม็อันั่นมันต้นมะโคล้ลมันก็ทบกระทัง่งต้นไม้ต้นไล่เขาคขนี้หนัะเขาเจนปูนั้นกลมเขาทบใหญ่เท่าหม้อถ้าโดนเขาเขาขึ้นมาห้ตตเสตเตเอาไม้ทาด้วยเห็นมันเป็นจันแดงก็คกลึงเป็นบาทให้กางกลึงเป็นบาดแล้วก็ทําไม้สูงไปหกสิบจอกตัดไม้คือเอามาแถวนไม่ได้นะ ใครมีฤทิ์มีเดชเป็นอรหรันต์แล้วเหาะมาได้ละให้บาทตอนนี้โพนิครนเศรษฐีนี่ครนตะพุนรมามีกัณฑนาฏมุตรบุรุษกัจศมคลีโกศานอภิจารนั่นแหละก็มัาบอกเกรษทีนะว่า<ฮ>ให้แล้เวเถอะเศรษฐีก็ไม่ได้ใครพหะได้หลังเอาไปเถิดเป็นพระอารหันต์พวกนั้นก็เอาไม่ได้ตั้งห้าวันหนึวั น, วน เ, อเอาไม่ได้ต่อมากวา็วันถึงที่หกคนเลงทั้งหลายก็พูดพูดขึ้นว่า เ่อในโลกนี้ไม่มีอรหัตซะแล้วเหล่าคนพูดก็อวดกันไปงั้นเองว่าคนนั้นได้อรหัตคนนี้อรหัตได้ไม่จริงเกเตรีนสร้างทําบานแขวนไว้60สิบเท่านั้นยังเอาไม่ได้พระโมคคลาพระปิณฑูรปราณสวัสดิ็ไปบินบาสได้ยินเขา้าพระโมคคลาบอลนท่านปิณฑูคนมันดูถูกระศาสนาแล้วท่านไปหอบแต่เอาไม่ได้พระปิณฑูผพู้เป็นเจ้าไปเถอะ ท่านไปไม่ได้แต่เราถึงจะไปรได้ยวยเข้าจะตุทะฌานเขาทำงานในหินยืนบนแทนหินรอไปด้วยติดไป <c oughs> หินติดไปอย่างนั้นแล้วโค้งก็อกใจตื่นกเดือกตึงตัวว่าหินไม่ยอมลนลงมาทับต้องไม่เห็นท่านแล้วนี่ท่านอยู่ที่ในหินอย่างนี้เลยหินมันติดไปด้วยคราวนี้ท่านก็สลัดหินลงมาอยู่ที่กล่าวแล้วไปลอยหลงังคาเตถีเตถีนั่นก็เลยหมอบลงเงียบมโนผู้เป็นเจ้าลงมากก็เลยถวายบาทรนั่นมา เอาของฉันต่างๆใส่บาตรมาแล้วก็ถวายบินโทรแล้วก็กลับมาวัดทีนี้ไอ้คนที่ไปเที่ยวป่าเที่ยวโดงกลับมาก็คนเล่าพวกฝังโพงนั้นเล่าว่าแม่พระท่านปฏิหารนีอย่างสุดลังก็งมานิมนต์ได้ท่านปฏิหารอีกเนีมากันเยอะแยะที่ไหลหลังนั้นมาถ้าเถ้าเอาปฏิหารไปต่างๆคนส่องสายทุกการกันพระพุทธเจ้าเองก็ถามแล้วโน่นอโน่อ น, อ น, อ น, อนเรื่องอะไรนอโน่นก็บอกว่า พระจินโทภาธวารนันทนท์ทำปาติหารในบาทมันยังไงนะพระพระองค์ก็เลยรับสั่งห้ามว่าตั้งแต่นี้อย่าให้สาวกทำปาติหารให้เอาบาทนั่งไงทุกายละเอียดไม่ทำลายนะไม่ทำเป็นบทเป็นยายอดตาเรื่องเท่านี้ไหนผูดถึงนี้ตีเตียนถึงนี้ทำนึ่ง คุยวดนันไอ้บ้าไอ้ปฏิหารในเรื่องเล็กๆน้อยยงนีเราไม่เอาครานี้ก็คนตื่นเต้นโดยเเรื่อพรนอกนาาีา้ก็น้นนครมานี่ตอนนีรมาน้เ็นกวนวายกลางแล้วงแล้ว มันทั <ys ic> <autour> ้ง <so> ม <sen festivals> ัก็เมือนแต่แสงโกจิกาวามูลแสงโกจิกวาแสโกจินี่แสงโกจิกวานี่เลยแสงโกจิวะนี่กแสโกจิกาวานี่ก็แสงโกแสงโกจาวนทั่วไปหมดแต่มันอยู่ในโลกภพสามรถไฟาันเลยกันไหมแล้วก็ทิ้หายแล้วไหมหมดทั้งแสงโกจกาวานี่จะเป็นดินลนมาลีนานหมดที่อยู่ในจิวานี้เป็นแสงจิวานี่ โยนี้กําลังไฟในการไหม่ก็มีที่พุทดกอ่อพระศิษย์เจ็ดดวงก็มีที่เกิดจําดวงก็มีที่เกิดเริ่มก็มีที่เกิดเริ่มตังจั ก, กรวาลก็มีดี๋ยวนี้คืออายุแผ่นดินนั้นมาครบหกสิบสี่กับเมื่อไรมันก็หมดอายุกันเมื่อนั้น แต่เพราะ พ, พิษยกลับแล้วก็นี้เพราะแผ่นดินจะขิ้หายแล้วมันมี โ, โกลาหนมีห้าอย่างตัดไปโกลาหนตัดจะขิ้หายแล้วเทวดามารอา้องเปล่าพุทธโอลาหนพระพุทธเจ้าจะมากราสเทวดามาร้องเป่าจักรวาลวัดโกลาหนพระยา จ, จักจะมาแล้วเทวดาก็มาร้องเป่าพระพุทยาจะกราชใช้หมงคนเทวดาก็มารอไปอีกแสนปีนะทีนีมากราสนะพุทจ้าจ แล้วราเจาการโม้ไหนปฏิบัติกรอีกแสนปีแล้วพร ะ, ระพระุทเจ้าจะมาเทวดามาร้องเปล่าทางนั้นคือเมื่อแผ่นดินจะชิบหายนี่อีกแสนปีเลยจะเทวดาร้องเปล่าแล้วเทียวร้องนุ่งชื่อว่วาเทวดาองค์นี้เด้ดอดชื่อโลกระยหักนะในแบบแผนมาลีทั้งรางเลยว่านุ่งผ้าแดงผมผ้าแดงสยายผมร้องให้เทียวไปในแสนโกจกาวาณรชันต์า ง, งลายประมาณอีกแสนปีโดกิสูงหาย เกี่ยงเมตตากระดุมนาตียธรรมาบต่างกมให้มันมากมายนะหลากนั้นได้ยินเป็นพระจาของตัวหมดกรทั่งบนดำเแดงก็รู้วเป็นพระาของตัวคือตั้งแพร่เมตตาจิตกันแต่เมตตาจิตเองยังท่านรักผมผมรักท่านคนนม่รักกันทั่วไปหมดให้ความสุขมันเป็นบุญพอตาจางนี้ืึ้เกิดในสวรร เกิดใวันนัเจริญชานขึ้นเกิดในพรงมโลกเทวดาในสวรรค์ก็ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกทนะนะเนื้อไอสัตว์นโลกที่อยู่ในนรกนี่ก็กรรมยังไม่สิ้นลงการหอบไปวันเจกวานแต่โกจิกวานอื่นไฟไปกันไม่ถึงเพื่ที่จะเกิดเป็นเปรตยังไม่สิ้นกรรมลมการหอบไปวันเจกวานอื่นต่อไยจะเกิดเป็นเทวดา เทวดานี่มันหมดแดนไฟมันจะไหมแล้วลก็ดูเรือตะวิมานก็เกิดนี่จะว้านอื่นเทวดาจะ้านอ่นอกอนนานมานานมาพครบแสนปีแลฝนตกลงมามนุษย์หวานไถนาพอข้าวขึ้นเสมอสี่อกุลีงูงูกัดกินได้ไม่เหยฤทธิฤทธิมนุษย์ก็ไม่เห็นแล้วทีนี้ผครบแสนปีแล้วก็ฝนตกมาพอข้าวขึ้นพอวัวกัดกินได้ ฝนเฟารองเหมือนเสียงลาลองอย่างี้ฝนไม่ตาคิดเลยสัร้ยปีพันปีก็ไม่ตกแล้วมนุษย์และตวอยู่บนดินเนี่ยตายกันเกลี้ยงอาดีไปตกนร้ก็ไปตกนรงเกบานอื่นเจอกสวัดสวัสด์เกบานอื่นเจอก็พรมลโลกพรมโลกเจกบาลอื่นแต่พระมโลกที่เหลที่ไฟไม้กคือไปเกิดสุนันา นีนานมานานมาเกิดพราะาทิตย์ขึ้นดวงสองดวงดวงหนึ่งขึ้นดวงหนึง่งตกอดีตเพระอาทิตย์จเจ็ดวงมันไม่เกิดเร็วๆด้วยนะตั้งร้อยปันปีหมปีแสปีเกิดมาดวงร้อยปีพันปีหมปีแสปีลราเกิดไงดวงอย่างนั้นแล้ทีละดวงนานก็มันหนักเขาเป็นน้ำเราใหญ่ก็แห้งหมดหมดตั้งแต่โกจิกาวานาจิกาวานเจ็ดวงเจ็ดวงไปนี่รอาทิต จะตายคนมันจะตายนะั่นมันไม่นานมันย่งนี้มันจะตายเนาะมนไม่มีอะไรแล้วก็ค่อยฟ ง, <c oughs> งไปก่อนนุชไปโบาไมก่อน้ากับนุสาธุเกิดที่สามแล้ว น, นานไปโลกนี้เ ป, ป็นนุมาและทีนี้ก็นา ม, มาเกิดสี 5, ่ดวงห้าดวง6ดวงเพร 7, พะาะครอบเจดวงเราะแล้วโรการนี้เกิดไอปลาใหญ่ๆมันก็ตายที ปลาตินทะเลตัวยาวสามรอยยศปลาอานันทะนะั้นตัวยาวห้ารอยยศปลาอัชาโรหะนั่นตัวยาวเจ็ดรอยยศแปดรอยยศมหาติมิทะนะั้นตัวยาวพันยศปลาเนี่ยตายอาศัยน้ํามันปานลาเล่านั้นแล้วคืนชปนไปทีมันเลพิเไไ่เป็นไฟไหม้ขึ้นเป็นไฟไหม้ขึ้นแล้วก็ ลวงไปสวรรค์หกชั้นนั่นไม่หมดเราไม่ขึ้นไปชมปาฏิสักรเฉลิมพระโลหิตมหาพรหมปริฏฐาพาพรหมอัปปามานาพราพรหมไม่อยู่ไปชมาโลกละห้าชั้น oh. วันนี้ไฟนั่นก็ดับดับเลื่อนเบื้องบนเบื้องล่างนี่แค่ชะดากาศว่างเปล่าไม่มีอะไรนั่นนะนานอยู่กับเนี่ย มั้งายงังกลับก็จะเกิดแผ่นดินแล้วมชเกิดได้ง่ายรอกคราวนี้เวลาจะเกิดแผ่นดินแล้วฝนตกฝนตกลมาเหมือนย่งน้ำค้างปลายเดือนตีอย่างหมอกะเอียดละเอียดงนั้นทีที่จะไปสา่าไม่เห็นตัว <n> กันฝนตกอย่างนั้งนานขมเม็ดใหญ่มเม็ดทันประกาศตั้งร้ยปีพันปีหมื่นปีแนปีเทเม็ตนดตังร้อยปีพันปีหมื่นปีแนปีเท่าเม็ดก็พูใหญ่ขึ้น นี่ลรากันละลานจนนั่จกระทังตกลมไหลเป็นลำตาลลงมาน้ำไฟไหมถึงไหนน้ำพุวงถึงนั้นเขนี้มีลม9 6 0 0 0สมนโยนผัดน้ำแต่พวกนี้อาชามระพองลมเบว่ผัดน้ำลงหดลงวดลงถึงพรมชั้นไหนเกิดพรมชั้นนั้นถึงสวรรค์ชั้นไหนเกิดสวรรค์นี่จก็ทังถึงพื้นดิน ไอม้มาถึงพื้นดินนี่ <c oughs> บนดินนี่นะมันเหมือนกับเรื่องกระเพื่อมอะอย่างไอ้นำข้าวที่เค็ดไว้ที่ดินมันอ่อนมันกำลังบริสุทธดีนี่มีสีเหลืองมีกลิ่นหอมมีรสหวานไลายลางชผ่นดินนั่นนะ่ะมันมีโบวอยู่กอบโบนั้นเะทว่ามีดอกแล้วก็พระพุทเจา้าอยจะมากราดดักถ้าบนั่นไม่มีดอกพระพุทธเจ้าเลยมากราดเทว่าพระพุทธเจ้าจะมากราดองนึงแล้วเรียกว่าวระกับ ดอกบัวเกิดดอกองอมันทกกับครูพุทธเจ้ามารส่ององบัวสองดอกบัวเกิดที่สามดอกลำบุญตักนั้นรพุทธจามักระสัามองสี่ดอกมักระสี่องหดอกมกระส้าองแล้วมาขน้นไม่มีดอกบัวนะครนี้รมเลือดขาวนั่นก็ลงมาลงมาดูกันไม่เห็นก็เห็นดอกบัวเาลตกมือหัวรอนหละเรจะดรูพุทธเจ้าอย่งันกระเราจะได้ดู จะกว่านวันไหวเมื่อพระพุทธเจ้าลงสู่ครันมารดาเมื่อพระพุทธเจ้าประสูตจากครั้นมารดาเมือมม่อออก ป, ประชาเมื่อส้งเด็จโอทิญาเมือเ่อแสดงธรรมจักษเมื่อปลงชนอายุสังขารเมด็ดดับกันโลกจะวั่นไหวแล้วก็สวรรค์โรมโลมันจะแน่นไปด้วยเทพพระบุตรพระธิดาโรกมันจะว่างเล่าไปจากกันแล้วก็พาดีใจกลับไปมีมานแถวมั ว, วไม่มีบวัวไม่ได้ดอกพวก ร่มกนะ็เสียใจพากันร้องให้โศกเลิกตึกจะมือสักเหล่านี้ไปแล้วนรกมันจะเต็มไปในหมู่สากตาวันพระมโลกมันจะน้อยในเทพบุตรสิทธิเทพทิดาบีมานจะล้างว่างลาวกันก็มาแล้วกลับไปมาทีนี้เอ็มมนุษย์จะเกิดนมาพร้อมมนุ้น์เลยทีหมดอายุหักอายุแล้มัก เ, เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็ น, นเป็นอุป ป, ปาธิกา อ, อุปปาธิกานั้นไม่มีพ่อมีแม่เกิดมาเป็นลูกเป็นกาย แต่มันไม่เป็นผู้หมันไม่เป็นผู้ชายเมื่อไม่เป็นผี่งั้นเาะเคือเดินอาการได้เที่ยวอยู่อายุยืนสมัยขนา้นมาไอเศดชานวันซโซกีมันจะเคืองจะสันดานก็มาเห็นเองบนบินนี่ครับไอรีมอะไรสีเหลืองกินหอมต้องอามาแติ้นกัรอว่าอร่อยเกินอร่อยขึ้น กินเป็นคำคำนคุณโนนเหตุกินเมื่อมก่อนไอ้จัมีตีกายคุณโนนมาสว่างมันบุกมนันการหมดเมื่อเมื่อหมดนันทการเสมอกระแพ้กร้องไห้เราไม่ได้เขาจะตายกลรก็เกิดพระอิตย์ระัน์ขึ้นและมันลัลงลายนั้นกินวดดินกันปลาเท่ามันพอกินอาหารเข้าไปนีไอชากรเคยทาบุญไอเมื่อก่อนรูปเหมือนกันทั้งนั้นมันสวยมัอนหมด นี่พอมากินอาหารเขาชากอนคนที่ทําบุญดีรูปร่างก็สวยกําลังมากคนที่ทําบุญไม่ดีรูปร่างก็เลวซะไอ้คนที่ไอ้คนที่นี้นั่นดูถูกเอคนชั่วได้โูเราไม่ได้กําลังเราก็ดีกลางมันทนตำชับเขาดูถูกดูมินเท่านั้นหลังวนลินหายยมันเกิดอะไเรียกว่าอาหารการมามังการมันเกิดขึ้นคือชั่วมันเกิดแล้วเกิดแค่สเก็ตลิน เกล็ดเกล็ดเกล็ดมาดูเกลดๆๆ็ดเกล็ดเกล็ดดินกินต่อเพรนั้นก็ดูทูกันนะครับดูเกล็ดดินแต่ว่าอาที่จะหายนักตั้งไหลา้อยปีหลา้อยปีพันปีนอันนี้เกินไอเกล็ดดินนะขราบดูทูนะครับเกล็ดดินนะเกิดเป็นเครือดินเลือไปอยังสองสถานเมื่อดูทูกันดูไม่น่ไอเครือดนินี้นะกลายเป็นผักบุ้งเหมือนย่งผับุ้งห่วยกลายเป็นบุง้งก็กินเปลือกตีนคันซะแหละมันจะเกิดข้าวสาลีมากี่แกลบรำ ขึ้มารวนประมาณสองขนานหม้อคนงานมันยังมีบุญมาในหมอ้อโถที่ภาษาหนึ่งครึ่งทัวร์ไอหม้อโถที่ประษาหนึ่งมอแก้วแล้วสาวโถที่ประษาห น, น, น, นมีมนุษย์ไปถึ่งก็ไปรู้จิตใจในน้อยยกขึ้นดังเหมือนสาไใลูกออกจากสาวไปลูกเข้าสู่ข้าวสู่ก็ไปดับหลามากินกันไม่ต้องหามกราบสินึกเป็นรถอะไรกเกิดขึ้นในข้าวนั้นแตะว่าคุงขึ้นหม้อหนึ่งเท่าคนมากินตั้งร้อยตั้งพันก็ พอข้าวมอสองคนข้าวพอหมดเนาะสองคนข้าวพอหมดเนาะทำไมหมดค้นข้าวไม่หมดเหมือนแหว่งเป็นทัพีเวาดันได้ข้าวพนันกินมันก็สบายมันไม่ต้องบาปกันเลยวจะกินรสอะไรก็เป็นรสอันนั้นมันอร่อยไปหมดระหากว่าเบื่อไม่มีอาหารข้าวสาลีเขากินอาหารสาลีนี่เข้าไปมันข้าวอาหารมันก็อยากเกิดเป็นมูดขูดขึ้นในท้องจะรับระวางเกิดขึ้นละเขานี้ต้อง เจาะให้หัวให้ออให้เรื่องนันไหลายกมาชาก่อนเกิเป็นผู้หญิงก็กลายเป็นผู้หญิงนี่เจ้านั่งจาก่อ้วยยากลายขยายมนี้ก็มาเล็้ยงแลดูกันได้ไอ้บอกการมันกเกิดเกิดกระสันยินดีเศษชานโลกีกระเสือสชนดานเกิดราคะกลาหานถึงเศพเมถุนกันขึ้นคราวนี้นักข้านานเข่า ไอ้มนุษย์ที่ตัณหาละขันจารนะเขาก็เอาสัไง่าี้แจ้งมนุษย์ที่มีความละอายในแหนก็ว่าเรเอามนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ค้อนก้อนดิ้งคว้างเป็นไอ้คนนี้คิดทาบ้านทังเดือนบังกันมีคว้าเป็นบางก็อยู่กันเรื่อยมาคนนี้ก็อุปาทิกะมันนี้มาเกิดเสียวโครมมาเป็นรูปแบนี้แล้วเพราะมันมีที่บอกเกิดนี่เกิดสักเกิดในท่องผู้หญิงทั้งหลายก็มีลูกกันเรื่อยนะเนี่อายุสัตว์มันน้อยลง น้อยจาก็ต้องไยกันน้อยลงน้อยลงน้อยลงรอปีรอปีรอปีรอปีเลยจนถึง10ปีแก่ายไอ้เมื่อสปีแก่ใจนะพ่อแม่พี่น้องเป็นผูวเป็นเมียกันได้ยช่ไยังกายยังกา อยู่ด้วยหยดสาและบัวมินานไม่มาวัวเมาสงสารด้วยแม่แยเองลั้นชายใจลายอาถรรพ์ในเกรงแม่เลี้ยงตนเองส่งเสริมเสมอโคเสพิมยแม่เลี้ยงเสรด้วยพี่น้องส่งเสริมและด้วยแม่ตัวเองทั้งหญิงทั้งชายมัวไม่สงเสีงตัว น, ตนี้เสียเสียอายุสิปีแกตายแต่มันสิบปีแกตายไปร้อยปีถูกรร้อยแล้วเกิดมิจฉาศนี้เห็นกันเป็นเนื้อแต่ เ, เขาก็ แต่ว่ามันรู้กันก่อนอนะ่เจ็ดวันมันจะเกิดห่าปันกันตายนมนุษย์ที่มีสันดานบริสุทธิ์ก็ผ า, ารที่ที่ดีหนีเข้าต่อห่วยเขาไปอยู่คนเดียกสองคนไม่ได้สองคนตายอีกค <c oughs> รบเจ็ดวันเข้าเกิดขาเห็นเขาเป็นเนื้อ สำคัญว่าเหนือจะใช้แทงฟันกินเลือดเนื้อการชูบีกัดจันมียังในฐาจำมาลายในจับได้แต่ไม่จะไล่ไปตีแล้วกลับเป็นกุลีหองดาขันใจอะไรเถระขาฟันกันตายดาัดไฟขีดหมายบันไหลตัวทัางถนนนี้ตายในผููได้ไปเล่นในทั้งที่ี้ไอ้พวกหลบๆนื้คนเดียวหลับลีนี่ยอยู่สอบอินทรีย์ไอ้ผู้นั้นละรอดจากความมรณะเพราะอยู่เอกาเอโกโคนเดียวถ้าอยู่สองคนสมคนจะเหียวฆ่ากันบาดเดี้ยวต่างคนต่างต า, งตางอีแล้ว ถอยู่คนเดียวไม่เห็นใครกลาจะรอดวันตายเป็นระบายมาฆ่ากี่เจ็ดวันนี่ว่าสัทธันตรกรรทโรคันตรกรรมเจ็บตายนานสี่เดือนเยอะนานเท่าทุกทิ่คันตรกรรมจะเจ็ดเดือนปดไอโรคะไอสัทธันตรกรรมีตายแจะไปตกนรกเท่านั้นไอโรคันตรกรรตายแล้วไปเกิดสวรรค์ไอแต่เมื่อเกิดอายุสิบปีนานทุกทิ่ันตรกรรมจตายจะเกิดเป็นปีเต ไอ้สัตทันตรกรรม่มันฆ่ากมันโกรธโกรธมโกร่งนลงนรกและไอ้โรคันตกรรมเมเป็นโรคล้วคนตนเออขจะได้เป็นอย่างเราเลยเป็นสุขมันแผลไม่ตายการในนั้นตาจะเกิดในสวันไอ้ทุกข์ทันกมันอดยาอาหารก็เลยตายโดียอดยาที่เกิดเป็นเปรตเทนั้นไอ้นนั้นถครบเจ็ดวันแล้วก็ไอ้พวกี่เหลือตายนั้นก็ออกมามาเห็นก็ดกกันร้องไห้พัวพัน ทำบากรรมเหลือกรรดังจนได้มันล้มตายกันอยงนี้ค่ะปันกันตายเราอย่าทำอย่างวั้นที่เราตั้งในสี่หน้าเทิดก็รักษาผ่ากันปกครองปัญญาิลดาเบชาจําศีลพ้นนะมันมีนตกลงมาเจคืนกลางวันหยุดกลาคืนตกคืนรุ่งกลางวันอยุดสาบสี่ร้อยตกในทะเลหมดแดินก็บริสุทธิ์หมดไหลมนุษย์ก็ดารงจิตใจสร้างความดีสืบสกต่อกัน ไม่อิชฉาจิตาเหยียดเยียนกนะันครั้งนั้นน่ะมันอดอาหารเรืกองบางข้าวนกเป็นอาหารก็เกิดเมื่ออายุสิ ป, ปีนะ่กินลูกกับบุง้งกินลูกกับแ้กินลูกยาดลงมันกินรากยาอะไรแบบนี้นัน่นเกิดนี่เกิดนองนั้นอันนี้มนุษย์ที่เราฟังนี่ทยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามนุษย์นะฟังไม่รู้เรื่องหรยง อ๋อมันก็มือดันเล็กกาไปหมดมันท่ามนุษย์เกิดก่อนหลัมันมนุษย์เกิดก่อนแต่ที่เกิดหับตอนนี้เมือมนุษย์น่าจะซาสีนกัน โคนากันี่ไออนุภาคผลที่รักษาสีความดีและผลตกเจ็ดหาหาหนเจ็ดวันเจ็ดวันคนนี้ไม่ตกเป็นเม็ดฝนแล้วตกเป็นสิ่งของต่างๆที่ว่าหาผลมาธุรสตกเจ็ดวันไปเนีครับผลมาธุรสมันเป็นหาผลของกิ้งต่างๆ <c oughs> เป็นอาหารให้มนุษย์เมืองดองับผลแก้วแหวนอีกทางหนึ่งทองตกลงเมืองดอง่วทางเจ็ดวันหาฝนเท่าสาลรของหอมตกมากกําลังตก ทั่วเจ็วันทั่วทางสะกดระงับกลิ่นอันสาบเหม็นให้ศูนย์หาฝนแทมอสกิตนาจันจูนตกลงบริบูรณ์หอมปุ้งอันันหาผลเข้าสารตกมากสองครานตกทวนเจ็ดวันทั่วทางสะกดเป็นผลอาหารให้ประชาชนให้เลี้ยงชีวิตตนสืบ อ, อายุไปหาฝนเข้าเลือกเม็ดน้อยเม็ดใหญ่ตกเจ็ดวันไปเกลือนทั่วธรณีจะให้เป็นพุ่ยก่ชาวโลกีจะให้เป็นสีสวัสดีทั่วปันหาผลว่าพร อ, อีกทั้งแรง ตกลงเจ็ดวันย่มงามมวรจะให้เป็นเครื่องหลุ่มผมหาผรจะให้เดินจ้อนกันความละอายหาผลพัชนะน้อยใหญ่มากมายของใายต่างๆตกบริบูรณ์เป็นเครื่องทั้งช้อยทั้งโกทั้งโูนให้ครบมีบริบูรนี้ให้พ้องกันหาผลสุดท้ายแก่เจ็ประการเจดพัน 7, ตกลงเจ็วันทัวทางตาโกนวันที่ตัางแนานอายุสัตว์ก็ยืนขึ้นรอยตีขึ้นปีหนึ่งรอยตีขึ้นบอ็ด ป, ปีแก่ตายแล้วก็จเจริญ ลูกหลานเลนไปร้อยปีขึ้นสิบสองปีแก่ตาเจอิลูกหลานเลนไปร้อยปีขึ้นสิามปีแก่ร้อยปีกขึ้นไปเ็ะถึงนักเขานักขาถึงร้อยปีนักเข้าเจริญก็ไปนักเข้าถึงพั น, งป น, ง 1, ปปนปีหมื่นปีแสนปีโกดปีจะกระทึงถึงอสงขไขยปีใหม่ถึงจะตายก็ตีด้กแล้วเมื่อในรู้จักตายก็เกิดประมาณขึ้นทําไมเราจะได้เห็นว่าไอเรานี่มัน แต่ตอนข้อมีคนแก่คนเจ็บคนตายนี่ทําไมเรายังไม่พบมัน ม, มีมีใครตายเอาเลยทํามจะได้พบได้เห็นทักทีเชื่อว่าไม่เที่ยงเราก็ไม่เป็นเชื่อเราไม่อยากจะพบเห็นความไข้ความตายอีกเมื่อผูคนลืมตนทั้งหลายจึงไข้กึงตายพลัดพรากจากกันทีน่อายุก็ถอยไปทุกวันเพราะว่าใจนั้นประมาทไม่ดีถอยจดลดลงยังแสงโกตีถอยลงยังมีเก้าหมืนประมาณถอยลงเก้าหมื่นไปอยุ ตายลงไปนานไปถึงการห0 0มื่นมันคงตะกุกตะถุนโทมากราดครั้งนั้นอายุ 60,000 ปีสูงสูง62คนเดี่ยนี้คนในศาสนานี้หกหมื่ปนปีก็คนศาสนาตะกุกตสถุนโธเป็นองค์กรเพื่อนและทีนี้ ท่ น, นสอนศาตร์อยู่หกหมืปีกันดับขันนิพพานเราไวยศาสนาหกห0 0่นปีเท่าอายุเท่านเองนะ6กหมืปีนะั้นน้อยศาสนาของพระบรุตรยาของเรานี่เท่าอายุคนนั้นเองนี่ทนันทีอายุสาสตร์ก็น้อยลงน้อยล ง, น, ยลงน้อยลงมาถึงติดปีแกตายแล้วก เ, เกิดข้าปันนถีแล้วขขึ้นไปถึงอสองขายแล้วก็น้อยลงมาถึงสี่ห0ื่นปีพระโกนาคมมราชโภกราชนะท่านนิพพานแล้ว สัตว์ศาสนาอีกสี่หมปีพระพุทธสี่หมื่นปีสิ้นพระศาสนาก็สัตว์อายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรือยมาถึงสองหมถึงสิปีแก่ตายเกิดข้าบันกันสัทีพระข้าบันก็เริ่มจะเดินขึ้นพอถึงอสงไขยและประมาณก็น้อยลงมาถึง20งหมปีพระพุทธกระสอกมาสัตวจากศาสนาพระพุทธกระสอกมาแล้วก็สัตว์ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงถึง สิบปีแก่ตาเกิดข้าบันนิติแล้วเจริญทุนแล้วก็ถึงอสงไข่น้อยลงมาถึงครอบครบร้อยปีพระพุทธเจ้านอนนี่มากรัดเระวางราอางพระพุทธเจ้าองค์นั้นมันเช่นน้อยเราเกดเราอ้างพระพุทธเจ้าองค์นั้นะเราเวียนไวายตายเกิดน่นก็ดูกองมากกว่าขาววิปุลมัรพตขาววิปุลบัรพตนะครั้งศาสนาท่องกุศลโทนะ คนสูงหกสิบศอกคนในศาสนานี้ขึ้นสี่วันถึงยอดเขาลงสี่วันถึงตีนเขาน้าโนมาสูงแค่ไหนคนสูงหกสิบศอกขึ้นถึงสี่วันถึงยอดเขาลงสี่วันกันดูโลกรองมากกว่าเขาลูกนั้นนะคระับพุทธิย่ายังไม่มากลั ด, ดนะนี่จางนี้ไปนะี่กว่าพปฏิอันยังมากลัดกันดูเรากรองมากกว่าเขาลูกนั้นเราคนเดียวนะั้ไม่ต้องเอาคนอื่นเอาร่างคนเดียวเรื่องไม่ใจเกิด น, นี่เราจงรู้ทั่วมันน่าอ่อนใจเหลือกำลังมางออทีถึงเรื่องวันนี้น่ะเวียนไฝ่เกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกชาไิไรไม่ไรละเกิดเป็นสิงสาราศุภสิงภาษาพระพุทเจ้าเองมันศาสนาพระพุท ธ, ธ, ทธกษัตริย์เป็นพระโชติปานละเทระพระเจ้าพระธาตุพระโชติปานละเทระขึ้นไปเกิดในสวรรค์นี้ตายจากนั้นเราถล่ม